พระธรรมเทศนาแผ่นที่110ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18มิถุนายน2560มีชื่อเรื่องว่าพระกับสาธรณะประโยชน์อา้าวคณะทารายาดโยมอยู่นในความสงบตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร ก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรหลวงพ่อจะกล่าวอะไรให้ฟังจากเล็กน้อยพวกเราควรควงอยากจะรู้ทราบอยากจะทราบนะวันนี้เป็นวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันเกิดของหลวงพ่อคำสดอรุณ โ, โนนะ พวกเราคณะสัตธาญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมมารวมกันแสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะล้นหลามวันนี้รู้สึกว่าทั้งโรงทานทั้งพี่น้องประชาชนทั้งมาจากจ า, กจากตุรทิศทุกแห่งหนที่เห็นเห็นหน้ากันเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งคณะสงฆ์ก็มากวันนี้และก็ชีก็มากพี่น้องประชาชนก็ รู้สึกว่ามากกว่าทุกปีที่หลวงพ่อเห็นฮะ่ที่หลวงพ่อได้บินท่าบาทวันนี้เพราะนันถือว่าวันนี้เป็นวันภาษาเฮาเราภาษาวา เ, เป็นวันตุ่มโฮมตุ่มโฮมญาตพี่น้องลูกหลานเขามาร่วมกันแสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะในวันเกิดของหลวงพ่อข้าสดของพวกเฮาแลก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่าน อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันนี้พวกเราควรจะทําตนให้เป็นคนดีสักวันหนึ่งตลอด24ชั่วโมงนะวันอื่นก็เถอะนะวันอื่นผมไม่เป็นผมก็เป็นคนดีอยู่แล้วครับหลวงพ่อเอ๋ยชายอันนี้จะให้ดีเป็นพิเศษขึ้นมาดีด้วยความสัตด์ความจริงคือตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพ เ, เจ้าจะรักษาศีลห้าในใจตัวนะตั้งจิตอธิษฐานนะนะไม่ใช่รักษาแบบลอยๆอยนะ ตั้งจิตอธิษฐานเข้าไปเจ้าจะรักษาสินห้าสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยจะเป็นผู้มีสินวันหนึ่งกับคืนหนึ่งฮะแต่มีตั้งจิตอธิษฐานด้วยนะไม่ใช่ว่าทำแบบลอยลอยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเป็นคนดีมีสินห้าด้วยความสัตย์จริงสักวันหนึ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่จะวางแผนการเข้าพรรษาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในพรรษาปี2560นี่ อายุของเราขนาดนี้มีอายุเท่าไรแล้วนะเราก็ไม่ควรจะปล่อยปะละเลยจนเกินไปนะควรจะสำมรวมระวังหันหน้าต่อมรต่อผลต่อสวรรค์ต่อวิสวรสวรค์วิมานของพวกเราเพราะพวกเราอยู่ในโลกเนี้ยมามากแล้ว แต่ตอนนี้ไปชีวิตของเราจะยืนนานไปสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้นะโดยเฉพาะอย่างเยงผู้สูงอายุผู้สูงวัยทั้งหลายแหละควรจะคิดนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้นานเท่าไหร่อีกสักวันหนึ่งนะเราจะต้องลาลาโลกนี้ไปปล่อยวางทั้งหมดไม่ยึดพอเราจะทํำยังไงได้เพราะชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย มาถึงจุดนี้แล้วก็ควรจะประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปพวกเราได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงอัดทรงธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวไปในทางศีลทางธรรมพวกเราพวกท่านทัน้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกินไปเน้อคณะสัต ย, ยาติโภลูกหลานเน้อชีวิตมีจุดจบนะ ทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ได้เอาความตายมาขู่กันในวันเกิดหลวงพ่อคําสดหลวงพ่อคําสดอายุ70ปีปีนี้นะลูกหลานนะเจ็ดสิปีบริบูรลปีนี้นะแล้วก็พวกเราลูกหลานทั้งหลายก็ผู้สูงกว่าก็มีอย่างหลวงพ่อใน73ปีแล้วนะลูกหลานนะเจปีเข้าไปแล้วแก่กว่าหลวงพ่อคําสด23ปีนะนี่แหละหลวงพ่อก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาท ให้ประกอบคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่เมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็จะย้ำบอกกล่าวแนะนำให้ลูกหลานได้ฟังนะทั้งปอตลอดถึงพระทั้งเนทั้งสัตไทยญาติโยมนะพวกพวกเรารักเคารพในองค์หลวงตามหาบัวท่านจุวตินิ้เราานไปแล้วเป็นเวลา6ปีนะวันที่30ปี60นเนี่ยแปลว่า6ปีพอดีเดี๋ยวนี้กาลังเข้าปีที่7นะแต่เมื่อวานนี่ก็มีการ เซ็นสัญญากันที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อก็ได้ไปเนี่ยปิน่นทบาทตอนเช้าก็พี่น้องก็ล้นหลามเย อ, อมากจริงๆเมื่อวานนี่ก็เนี่พอเสร็จแล้วก็มีการทางพราหมณ์เขาก็ทําพิธีของเขาแต่ตามให้จริงฝ่ายพระของเราหลวงพ่อก็บอกอยู่บอกว่าถ้าไม่ทําพิธีพราหมณ์ได้ไหมเก็บอกโอ้มันเคยทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ไปสร้างที่ไหนก็ทําเอาโหนโหนห ล, หลวงมาทําพิธี แต่คราวนี้ก็ขอทำเถอะขวางกันนะหลวงพ่อเออเอาเพราะเป็นหน้าที่หน้าที่ใครหน้าที่เราแต่แต่ถึงยังไงถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็เทวดาอารักษ์ู่ที่แถบวัดว า, าศาสดานี่คงจะกินแต่หมากไม้ผลไม้พวกสัตว์สายสิงทั้งหลายที่เคยทำมาก่อนก็งดไว้ก็ดีนะหลวงพ่อก็ว่างั้นนะแต่เมื่อวานเราก็ไม่ได้ไปดูแต่เมื่อวานนี่แหละ ก็บวงสวงจะแล้วกับพะสง์ทั้งหลายทั้งปวงพร้อมกับพี่น้องประชาชนทุมู่เหล่านั่นะนะสวดอิติปิโสสจบนะอิติปิโสพระกวาระหังสัมมาสัมพุทโธเพื่อบูชาที่เราจะวางเสาหลักพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตามหาบัวเมื่อวานนี้พี่น้องร้นหลามจากนั้นก็เซ็นสัญญากันเมื่อวานนั้นรักคณะสถา ญ, ญาติโยมบริษัท สบุญมีเล็ดนะจากกรุงเทพเป็นผู้โชคดีนะ เ, เป็นผู้มารับเหมาที่สร้างเจดีย์ของหลวงตาเซ็นสัญญาเมื่อวานนี้หลวงพ่อจุดใจก็มอบอให้โยมของท่านโยมอุพถัมปฐากนโยมก็ชิดท่านเป็นตัวแทนเป็นพูดเป็นผู้เซ็นสัญญาเมื่อวานนี้แล้วก็จะสร้างสองอย่างก่อนคือเจอดีย์เจดีย์แล้วศาลาลาย หรือว่าพระวิหารเจดีย์และพระวิหารก่อนนะชวนพิพิธภัณฑ์นะมันยังภายในมันยังไม่แล้วเสร็จนะภายในจะต้องออกแบบซะก่อนเพราะฉะนั้นพระวิะ พ, พิพิธภัณฑ์นะั้นยังยังไม่ได้เซ็นสัญญาเซ็นสัญญา2 อ, อย่างนะขนาดเซ็นสัญญา2 อ, อย่างนะเมื่อวานนี้490ร้้านิบล้านนคะ่าเซ็นสัญญานะจะสร้างเจดีย์กับพระวิหารเนี่ยสีล้านนะ ยังไม่รวมพิพิธภัณฑ์นะแต่ก็เมื่อวานพอเซ็นสัญญาเสร็จแล้วเขาก็ทางบริษัทเขาก็รับเงินไปเลยนะ่ทางหลวงพ่อสุดใจก็จ่ายเช็คไปเลยจ่ายเช็คให้ผู้รับเหมาคืองวดที่หนึ่ง49่้าล้านเมื่อวานนี้นะแต่ทั้งเขาก็ทางบริษัทเขาก็ทำหนังสือเช็คค้าประกันอีกให้ธนาคารผ่านธนาคารค้าประกันอีก แต่ลุงพ่อก็ไม่มั่นใจทราบว่า49ล้านเหมือนกันที่ค้้ประกันไว้ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือทําถูกต้องตามกฎระเบียบตามกฎหมายบ้านเมืองตนะ่อเ น, นื่องไปก็คล้ายๆกับเมื่อวานในตีละครังแล้วกันเถอะถ้าหากว่าเป็นนักมวยวนบนเวทีก็ว่าช็อกกับลักษณะอย่างนั้นแหละก็แปลว่าเริ่มเริ่มลงมือแล้วล่วนะตั้งแต่ตั้งแต่นาทีตั้งแต่เมื่อวานในเป็นต้นไปต่อมาต่อไปนี่เขาก็คงจะ ขนของเข้ามาทำสถานที่พักของคนงานจากนั้นเขาก็ทำล้ลอมรอบออบริเวณที่เขาจะก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของอองานของเขานี่แหละเขาก็เริ่มเือแต่เขาจะใช้เวลาอยู่30เดือนนะสาเดือนจะแล้วเสร็จงานของออพิพิธภัณฑ์และพระวิหารของเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยส่วน ส่วนพิพิธภัณฑ์นะก็คงจะพอทำไปหน่อยหนึ่งก็คงจะเริ่มแล้วทีนี้การรวมก่อนเข้าไปเนะี่ยประมาณ36เดือนรวมกันทั้งหมดน ะ, ะงานของเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยจะแล้วเสร็จนะสัตยา ญ, ญาติโยมแต่เงินยังเหลือไม้เงินเมื่อวานเนี่ยเาทางวัยาวจกรทางคณะกรรมการเขาก็บอกว่า เงินเดี๋ยวนี้อยู่ในบัญชียังไม่ขยับไปไหนเลยตั้งแต่พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทาบุญมาแล้วก็เก็บไว้ที่บัญชีบัญชีเดี๋ยวนี้มีเงินอยู่531ร้าเล้านานะเะที่หลวงพ่อได้ยินเมื่อวานนี้น ะ, ะแล้วก็พอไหมขนาดเจดี JD กับพระวิหารนะ่ก็490ล้านแล้วใช่ไหมล่ ะ, ะแล้วก็ พิพิธภัณฑ์อีกเนยไม่ต่ำกว่า200ร้อนะสอง้ล้านนะเพราะฉะนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมผู้ที่มีใจศรัทธาก็นัน่นอะไปร่วมรวมกันน ะ, ะทำบุญกับองค์หลวงตาก็เป็นบุญเป็นกุศนนะลคณะศนระัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเราอันนี้ก็เป็นการแจ้งข่าวในวันเกิดของหลวงพ่อคํำสดของพวกเราเให้พวกเราแจ้งข่าวกันให้ เพราะว่าองหลวงตาของเราเนี่เริ่มลงมือละหลวงตาของเราเป็นผู้มีคุณปรปการเป็นผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลามีมากต่อมากสมัยเมื่อท่านยังทรงทา้าทันอยู่โค้งสุดท้ายของท่านกันนะ่ะหาทองคำเข้าคลังหลวงกับพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้ช่วยกันได้ทองคาทั้ง1 3ตันเนเ่เงินดอลลาร์ล้านกว่าดอลลาร์นะ่ะ นี่แหละอยู่ในคลังหลวงนะี่หลวงตาทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเพราะนั้นพวกเรามาถึงโคง้งสุดท้ายขององค์หลวงตาพวกเราก็ควรจะเสียสละนะสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาคนละมากคนละน้อยไม่ว่ากันเนอะคนละมากคนละน้อยไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นควรจะมีนะั่นะควรจะร่วมกันสร้างนะสร้างที่ไหนถ้ามาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคําสดเนี่ยก็ฝากไว้กับหลวงพ่อคําสดเลยบอกว่าหลวงพ่อคําสด ก็ผมขอสมทบสร้างพระเจดีย์หลวงตาเนอหลวงพ่อคําสวดท่านเป็นภาพผู้ทรงศิล์อยู่แล้วใช่ไหมลนะ่ะพัรหน้าเชื่อถือได้ท่านก็เออเอา้ามาที่จะรวบรวมไว้ให้ท่านมาศรัทธาญาติโยมมาถวายมากๆท่านก็เก็บรวบรวมมาและท่านอาจจะไปส่งที่บ้านตากก็ได้แล้วมาส่งให้หลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อก็เปิดบัญชีไว้อีกเหมือนกันนะ เ, เพื่อลองรับเพื่อจะสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตา เพราะว่าหลวงพ่อนี่รับต่อหน้าฐานะต่อฐานะกำนันในวันที่วางศีลละเลิกครั้งแรกนะทุนกระบองฟ้ายหญิงก็ประทับอยู่แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดคณะสงฆ์เป็นหลายร้อยองนะหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อรับกลุ่มของหลวงพ่ออินถวายนีย่วัดป่านาคำน้อยเนี่ยจะรับสมทบทุนหาทุนสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตานี่ย 50บล้านบาทเนยหลวงพ่อประกาศเลยนะเพราะถือว่าหลว ง, งตาเนี่ยเป็นเป็นผู้มีค้ออุปการต่อหลวงพ่อถือว่าเป็นเป็นพ่อทางธรรมนะ เ, เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงประกาศแต่บัดนั้นมาหลวงพ่อก็พยายามเก็บพรอมลอมริบเหมือนกันนะ เ, เพื่อตั้งอยู่ในความประมาทไม่ประมาทนะ เ, เพื่อจะได้เมื่อสร้างก่อสร้างในีหลวงพ่อก็คงจะทะยอยเข้าไปเรื่อยๆหนะ่งงวดที่หนึ่งงวดที่2 ส, สมครบเข้าไปนะแต่ถ้าหากว่า มันยังมีอยู่หลวงพ่อกับคอยคอยเอมื่อจกช่วงจังหวะไหนที่มันขาดตกบกพร่องหลวงพ่อก็จะคงจะสมทบเข้าไปนี่แหละจัดปัดจจัยของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ชัวนหนึ่งเหมือนกันแต่หลวงพ่อจะได้มาจากที่ไหนหลวงพ่อก็บอกประกาศให้กับคณะสัตายาติโยมลูกหลานทุกคนเหมือนกันนะนะหลวงพ่อก็ได้มาจากสัตาายาติโยมลูกหลานเหมือนกันนะอย่างวันนี้นะนะท่าน บุญสืบประสิทธิ์นะผลตํารวจโภพนอากาศเอกหัวบุญสืบประสิทธิ์ที่ท่านเป็นอดีตนะอดีตเจ้ากรมทหารอากาศนะกับบริวารของท่านท่านก็ถวายหลวงพ่อหนึ่งแสนวันนี้นะอ่เพื่นถวายหนึ่งแสนหลวงพ่อก็จะเอาสมทบเข้าจุดนี้ละเหมือนกันอ่แล้วก็พี่น้องประชาชนทุกหมราว์นะแล้วก็เมื่อกี้นี่ท่านก็ได้ ก่อนหน้านี้นะท่านก็ได้ถวายปัจจัยอีกหลวงพ่ออีกเหมือนกันที่จะซื้อรถให้พยาบาลเรื่องว่าสุดแท้แต่หลวงพ่อจะเห็นสมควรแต่หลวงพ่อก็เห็นว่าทางโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะโรงพยาบาลประจำจังหวัดขอนแก่นศูนย์ขอนแก่นนะ เ, เขาก็มาพูดกับหลวงพอ่อมุ่หมับมุ่มับว่าอยากจะได้เครื่องมือตาอมือตาคล้ายๆว่า เครื่องมือตาของเขาทำงานมาเป็น10บกว่าปีเป็นรุ่นเก่าพอแรงแล้วแต่หมอที่ทำงานในจุดนี้มีหมอทั้งห้าหกคนมีเครื่องมือเก่าๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้พวกผมอยากจะได้เครื่องมือสักตัวหนึ่งได้ไ้มหลวงพ่อเนี่ย หลวงพ่อก็เออเอาเดี๋ยวกลับไปถึงวัดซะก่อนนะหลวงพ่อกลับมาถึงวัดก็มาตรวจตรูมาตรวจตราดรูบัญชีก็นเองแล้วบัญชีปัจจุปัจัยของท่านผู้การบุญสืบกับคณะนี่แหละอยู่ในบัญชีเอ๊่น่าจะเป็นไปได้นะเอ๊่น่าจะสมทบก็อีกคงจะเป็นไปได้หลวงพ่อก็เลยเออเอาตรวจสอบเครื่องมือตัวนี้สองล้านหกแสนนะลูกหลานนะจากนั้นก็หลวงพ่อก็ได้ให้เขาสั่ง เครื่องมือมาจากประเทศฝรั่งเศสนะ่ะพอมาวันถึงวันที่11พฤษภาแล้วก็วันที่10มิถุนาที่ผ่านมานะเน่เขาก็บอกว่าใช้ใช้เครื่องมือตัวนี้มาลุงพ่อก็บอกว่าเมื่อมาถึงแล้วก็ให้ใช้งานไปเลยนะ เ, เพื่อจะให้คุ้นเชื่องกับกับแพทย์พวกแพทย์ก็เลยมาใช้เลยพอใช้มาประมาณหนึ่งเดือนคนเข้าไปรักษาเขาบอกว่าเกือบ200คนนะ หลวงพ่อได้ยินได้เห็นได้ยินแล้วก็โอ้ภาคภูมิใจเครื่องมือเอามาใช้เพียงไม่ไม่ถึงเดือนมีคนเข้าไปบริการเกือบ200คนนะนี่แหละเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขามาเก็บเงินจากหลวงพ่อวหลวงพ่อก็ได้เป็นวันเสาร์นะวันวันที่12หลวงพ่ออะไ้ออกไปโอนให้เขาแล้วล่ะนะสองล้านนบาท ให้กับโรงพ ย, บงพ ย, งพยาบาลสี่โรงพยาบาลประจําจังหวัดของขอนแก่นโรงพยาบาลศูนย์นะเพราะนั้นขอให้คุณโยมผู้ชมผู้การเจ้า ก, กรมบนเสบบและกับคณะและ ต, ตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหลา่าที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยขอให้พวกเราอนุโมทนาสาธุพร้อมกันเน้อลูกหลานเน้อ เ, เพราะว่าพวกเราทำบุญในค่าวนี้ไม่ใช่จตุปัจจัยของหลวงพ่อส่วนหนึ่งแต่ของท่านเป็นหลักนะแล้วก็ซื้อเครื่องมือพวกเรา เ, เป็นหูพวกเบาหวานทั้งหลายเน่นะ เ, เกี่ยวกับตานะั่นนะพวกเราก็ไปเลยโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นออบอกวันนี้ผู้ฆ่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหินเดอหลวงพ่อคำสวดเน อ, ะนะเ อ, อนี่แหละเขาก็จะได้ดูแลให้นะ พะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดนี่แหละชัดไทยญาติโยมบริจาคทำบุญมากับครูบาอาจารย์โดยมากกัยเน้นหนักเน้นสาธารณประโยชน์นะอย่างเมื่อกี้นี่หลวงพ่อความโสดก่บพูดหมุกหมับหมุกหมับเหมือนกันนะอยากจะไปสร้างโรงเรียนให้กับบ้านของท่านบ้านเกิดของท่านประมาณชักสี่หล้านหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อมีโอกาสกระบอกประกาศด้วย นี่แหละหลวงพ่อคำสดท่านก็จะไปสร้างเพราะนั้นจัดทาญาติโยมผู้ใดเนเห็นคุณค่าในการศึกษาที่ลงได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยก็มาติดต่อหอลวงพ่อคำสดนะท่านจะสร้างอาคารเรียนให้กับลูกกับหลานบ้านของท่านเป็นอาคารสำรดชุดชมหลงมากนะและก็อีกอย่างหนึ่งนะเมื่อไม่นานมานี้น ะ, ะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดน้องค้ายนี่แหละแต่หลวงพ่อไ่ขอระบุนะ เดี๋ยวกขจะหาว่าขายโรงพยาบาลเขานะเขาก็เข้ามาทั้งพออทั้งนายแพทย์เขาบอกว่าแพทย์ของเขามีความสามารถที่จะส่องกล้องเข้าไปในลำลำไส้และก็พร้อมที่จะไปตัดไปผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ทางถุงน้ำทั้งท่อน้ำดีด้วยท้งอะไรด้วยทำได้ ห ล, หลายหลายอย่างครับหลวงพ่อแต่เครื่องตัวนี้ราคาแพงแต่ตัวนี้ทางหมอทั้งอินโดทั้งอะไรเขามาเรียนมาศึกษากับเขาเขาจบมาแล้วก็นเนี่ยเป็นผู้ชำนาญการแต่ยัง น, นุ่มๆนะหลวงพ่อโอ้อนาคตยังก้าวไกลนายแพทย์คนนี้ที่มาหาหลวงพ่อนะเขาก็บอกว่าอยากจะได้เครื่องมือตัวนี้ราคาประมาณ8ล้านหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อกังายหลังเหมือนกันางา น, นเด ถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่ได้คิดช่วยเจดียของหลวงตานะหลวงพ่อก็คงจะกัดฟันสู้อีกเหมือนกันนะแต่นี้หลวงพ่อเป็นเนศ้อสินทั้งห้าบล้านใช่ไหมหลวงพ่อก็เลยใจอ่อนยวบเหมือนกันเพราะนั้นขอประกาศให้คณะสัตายาติยมหาบริเศรษฐีท่านผู้ใดที่อยากจะทำบุญเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์จุดนี้นะหลวงพ่อก็ขอแจ้งข่าวไปทุกๆ ท, ท่านเหมือนกันราคา8ล้านก็มีประโยชน์มากเพราะ กันท่านอธิบายว่าถ้าหากว่าเราผ่าข้างนอกนี่ยอย่างน้อยต้เดือนสองเดือนจึงฟื้นขึ้นมาได้แต่ น, นี้ถ้าเราผ่าด้วยแสงเลเซอร์ เ, เข้าไปข้างในเพียงอาทิตย์เดียวก็ไปทําการทํางานได้ประเทศชาติคนในชาติก็ไม่ทุพ ล, ลภาพนะถ้าหากว่าเราผ่าผ่าด้วยแสงเลเซอร์หลวงพ่อได้ยินก็เออใช่ยอย่างที่หลวงพ่อไปบริจาค เครื่องสองกล้องให้โรงพยาบาลศูนย์อุดรตะก่อนยังไม่มีนะจุดท้ายญาติโยมหลวงพ่อไปซื้อให้เกือบสมล้านนะ เ, เครื่องมือตัวนี้น่ะไปผ่าถ้าหาว่าแต่ก่อนน่ะเขาก็ผ่าจากหน้าท้องหนยาวเกือบเป็นศอกเลยท้องท้องของทองเรายาวเท่าไหร่ก็ผ่าขนาดนั้นแหละ เ, เครื่องมือตัวนี้ราคาเกือบสมล้านนะบัดนี้หลวงพ่อซื้อให้แล้วนะ เ, เดี๋ยวนี้ทางโรงพยาบาลอุดรของเขากไง ได้สองกล้องให้ใครต่อใครหลวงพ่อคําสวดก็บอกโอ้ยผมก็ได้ไปสองกล้องผมปวดท้องหมอก็ได้สองกล้องให้ผมอยู่โอ้ยคงจะเป็นเครื่องมือตัวนั้นมั่งเพราะมีตัวเดียวเท่านั้นเลยในสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะมีขึ้นมาอีกแล้วก็ได้นะในสมัยนะั้นยังไม่มีหลวงพ่อบอกว่านะอาจจะเป็นเครื่องมือของหลวงพ่อกับคณะซื้อให้ก็มกั่งเกือบสามล้านเนะี่ย นี่แหละศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกหลานทุกคนเครื่องมือแพทย์ก็จําเป็นคล้ายๆกับว่ า, ถ, าถ้าพวกเราจะคอยแต่ทางโรงทางรัฐบาลทางรัฐบาลก็ไม่รู้จะให้ใครต่อใครนะพวกเราพอจะช่วยเหลือได้ก็ยินดีหลวงพ่อนี่ยช่วยเหลือสาธารณประโยชน์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกเราทั้งทั้งหลายได้ยินได้ฟังเอาทางแล้ ว, ว่าหลวงพ่อพูดยาวก็จะยาวไปสักหน่อยนะ แต่ถึงยังไงนานทีปีหนะวันเกิดหลวงพ่อคำสวดก็มีวันเดียวนะพวกเราก็ได้มาเจอมาพบมาเจอกันหลวงพ่อก็แจ้งข่าวบอกกล่าวเรื่องราวควรจะรับผู้รับทราบให้พวกเราคณะสถานญาติโยมทั้งหลายได้ฟังต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโม์ทนาให้พร ล, ละพรน่าจะดีนเนะน่านิมนวนกระดม ขอโอกาสกระผมเอาต่อไปตั้งใจรับพออุทิศส่วนกุศลขุดวดน้าทางด้านกิดเอาน้าใจกวดก็ได้นะศรัทธาญาติโยมถ้าไม่มีน้ำถ้ามีน้าเอากวดน้าก็ได้ถ้าไม่มีน้าก่อน้ําใจ น, ะน่ะกวดเลยแล้เลือกถึงผู้มีอุปการคุณสาหรับพวกเรา